ข อ, <c oughs> ขอน้อมน้อมต่อคุณพระตาไตรอันเป็นที่พึ่งที่เคารพที่สูงสุดของพวกเราขอโ อ, อกาสคณะสงฆ์เพื่อนธรรมิกท่านจเจริญในธรรมไม่ชีและญาติในธรรมทุกท่านช่วงนี้ก็ต้องเดินทางบ่อยหลังจากที่กลับมาจากไปพมา่าสิบสี่วันก็ไปอบรมที่อาสมมาตา ต อ, นะตอนนี้ก็คุณแม่เล็กที่เป็นเจ้าสำนักอาสมมาตาก็มานั่งอยู่กับเราด้วยที่ใส่ชุดสีกลักนั่นแหละสีเข้มๆ เ, นะเจ้าสานักอาสมมาตาา ว, วันนี้ก็ต้องเดินทางไปสมุทรสาครไปอบรมต่อนะหลงังจากอบรมต่อก็จะไปเที่ยวสักพักนึงก็คงยังไม่ได้เจออีกพักหนึ่งเหมือนกันนะสำหรับเที่ยวสมมาตานี่ก็แนะนานิดนึงแล้วกันว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสาหรับ สตีนะมาตาก็เป็นผู้หญิงอยู่แล้วเนี่ยเป็นแม่แล้วก็มีคอร์สอยู่ทั้งปีนะมีหลายเดือนทั้งปีแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่เชี่ยวชาญในการอบรมที่มีชื่อเสียงก็มาอบรมอยู่ยทั้งปีน ะ, ะผู้ใดสนใจก็ติดต่อถามคุณแม่เล็กได้หรือเปิดเว็บไซต์ดูก็ได้นะก็สำหรับพวกเรา ในการที่เราสวดสวดมนต์เมื่อเช้านี้นก็มีทำวัดเช้าแล้วก็สวดบทพิจนาสังขารโอรวาทที่พระพุทธเจ้าให้ในครั้งหลังสุดก็เรียกว่าปัจฉิมโอวาสก็ได้ทรงเตือนในสิ่งเหล่านี้ก็คือให้เห็นถึงสภาวะแห่งความทุกข์ที่แท้จริงนะไม่งั้นเราก็จะไม่หาหนทางจากความทุกข์หลอกนะ ความทุกข์ที่แท้จริงนั้นไม่ใช่ความทุกข์ว่าเล็กๆน้อยๆต่างๆนะเช่นหิวง่วงนะเจ็บป่วยนะสิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์เล็กน้อยซึ่งคนเห็นว่าแก้ได้ง่ายนะแต่ความทุกข์จริงๆก็คือความทุกข์ประจำสังขารของเรานั่นแหละนะเมื่อเรากเกิดมาแล้ว ก, ก, ก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดานะเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะไม่มีใครหนีพ้น แล้วถ้าเรา <c oughs> การที่เราตายนี่ก็ไม่มีความสิ้นสุดแห่งความทุกข์นะถ้าเรายังมีกิเลสเราก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกนะมันเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้เมื่อเกิดก็ต้องมีความทุกข์ ต, ต, ต, ต, ต่างๆตาไม่เยอะแยะนะก็ต้องเข้ามาพิจารณาในความจริงตรงนี้ถึงความอที่เรามีความทุกข์ประจําสังขารของเราพ่อครูในทรงตัดว่าเอคนเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น ทุกเท่านั้นตั้งอยู่แล้วทุกเท่านั้นที่ดับไปเนี่ยมันเป็นทุกความทุกทุกขณะจิตของเราอยู่แล้วนะในขณะแต่ละขณะเนี่ยต้องมา้เห็นในตรงนี้แล้วก็ให้เห็นด้ว่าความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องรู้นะต้องรู้เท่าทันเขาความทุกข์นี่แสดงอย่างไรนะความทุกข์นี่จริงๆแล้วแสดงออกมาในสองอย่างก็คือ ความทุกข์ที่แสดงในทางกายนะทางกายก็มีความที่เราเนี่ยประสบกับเวทนาต่างๆในทางกายเช่นอากาศร้อนอากาศหนาวความหิวนะความง่วงความเจ็บป่วยต่างๆนะหรือแม้แต่ความที่เราชะลาไปหูก็ตึงนะตาก็ฟางนะฟันก็หักนะผิวหนัง ก็ย่อนนะผมก็งอกนะการรับรู้สิ่งต่างก็น้อยลงนะบางคนก็อาจจะเป็นอัลไซเมอร์ไปนะเพราะความเปลี่ยนแปลงของร่างกายสแสดงถึงความไม่ที่ในตรงนี้นะหรือนั่งนานๆก็ปวดก็เมื่อยนะก็ต้องเปลี่ยนอิเล็กบโบทต่างๆนะแก้ไขความทุกข์ไปนะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราลุกขึ้นมาจากการนั่งเนะี่ยที่มันปวดเมื่อยก็เพื่อเราแก้ทุกข์เท่านั้นเองนะไม่ใช่ลุกขึ้นมาเพื่อ อะไรหรือตามใจเรานะหรือลงง่วงเราก็ไปนอนก็เป็นการแก้ทุกข์ทั้งนั้นนะหรือเราหิวเราก็ไปกินก็เป็นการแก้ทุกข์เท่านั้นนะอันนี้เราก็คือความทุกข์ทางกายคราวนะี้ความทุกข์ทางกายเนี่ยแก้ไขได้ไหมนะความทุกข์ทางกายนี่จริงๆเราแก้ไม่ได้นะมันแก้ได้ชั่วคราวเท่านั้นเองเราหิวเราก็ไปรับประทานนะ มันก็แก้ได้ชั่วคราวแตเดี๋ยวก็หิวใหม่อีกแล้วก็ต้องไปรับประทานใหม่นะเราง่วงแล้วไปนอนนะเดี๋ยวก็ง่วงใหม่ก็ต้องไปนอนอีกอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการบรรเทาบรรเทาทุกข์เท่านั้นเองนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่แก้ไขได้อย่างถาบอนนะเพราะนั้นความทุกข์ทางกายเนี่ยแก้ไม่ได้หรอกแก้ได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นนะส่วนความทุกข์อีกอย่างหนึ่งก็คือความทุกข์ทางใจ ความทุกข์ทางใจยังเมื่อกี้ที่บอกแล้วว่าความทุกข์เนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรนะก็คือความทุกข์ทางใจนั่นเองที่ปรากฏออกมาในรูปของอารมณ์ต่างๆนะเช่นความไม่พอใจความหงุดหงิดความเหงาความเครียดความกลัวความกังวลความวิตกความอิจฉาลิษยาความหึงหวง สิ่งต่างๆแล้วเนี่ยก็คืออารมณ์ในทางใจที่ปรากฏขึ้นมาในแต่ละขณะแต่ละขณะการปรากฏของอารมณ์ทางใจนั่นแหละคือความทุกข์ที่แสดงออกมาให้เราเห็นนะคราวนี้ความทุกข์ทางใจเนี่ยแก้ได้ไหมนะความทุกข์ทางใจนี่เป็นสิ่งที่แก้ไขได้นะไม่ใช่แก้ไขไม่ได้นะยกตัวอย่างเช่นพระหัน์ พระอรหันเนี่ยท่านสามารถแก้ความทุกข์ทางใจได้เนี่ยอย่างเด็ดขาดแล้วเพราะฉะนั้นความทุกข์ทางใจของท่านเนี่ยก็จะไม่มีนะท่านมีแต่ความทุกข์ทางกายเท่านั้นนะความทุกข์ทางใจนี้นะเป็นสิ่งที่แก้ได้นะเราสามารถที่จะแก้ได้ทุกได้ทุกๆคนนะโดยการที่เราทําให้กิเลสในใจเรลดน้อยลงลดน้อยลงเพราะนั้นเมื่อกี้อย่างที่บอกแล้วว่า ทุกท็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้นะสมุทัยก็คือสาเหตุแห่งความทุกขนะ์เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําให้หมดไปนะเป็นสิ่งที่เราจะต้องแก้ไขนะมักเป็นสิ่งที่เราจะต้องเจริญนะมักก็คือหนทางที่เราจะไปบัต้นเองนะนีโลด เป็นสิ่งที่เราจะต้องทําทให้เกิดนะในโลกก็คือความดับทุกขนะ์เพราะฉะนั้นนะสมุทยัยเป็นสิ่งที่เราจะต้องละไปทําให้หมดไปสมุทัยก็คือสาเหตุแห่งความเกิดทุกข์นั่นเองนะความเกิดทุกขนะ์สมุทัยก็มีอนะวิชชาตันหาอุปตาอุปทานสิ่งเหล่านี้ก็คือกิเลสในใจเรานะ ซึ่งปรากฏออกมาอย่างชัดเจนในรูปของความโลภความกโกรธและความหลงนะความโลภนี้ก็ยังแตกสาขาไปอีกเยอะแยะเลยนะความยินดีต่างๆนะความอยากได้นะความติดใจนะตัณหาในความทยานอยากต่างๆนะความพอใจนะในสิ่ ง, งต่างๆนะ รวมทั้งความที่เรามีความโลภเองด้วยอันนี้ก็เป็นสาขาของความโลภทั้งนั้นนะโทษสะหรือความโกรธก็มีลูกหลานต้องเยอะแยะนะความงุนงิดความขัดเคืองความน้อยใจความเสียใจความเหงาความเครียดความอิจฉาความหึงหวงความกลัวความเกลียด สิ่งเหล่านี้ก็เป็นลูกหลานนะของความโกรธทั้งนั้นนะมันแสดงอารมณ์ในความไม่พอใจออกมานะส่วนความโลภกส็ส่วนมากจะแสดงอารมณ์ในความพอใจหรือเป็นความยินดีนะความโกรธก็จะแสดงอารมณ์ในรูปของความยินร้ายความไม่พอใจต่างๆนะส่วนความหลงนะก็คือเราไม่รู้เท่าทันในสภาวะธรรมในขณะนั้นๆนะเช่นเรานั่งอยู่ก็ไม่รู้ว่าเรานั่ง เราเดินก็ไม่รู้เราเดินเราน อ, นอนก็ไม่รู้เรานอนนะื่มกินพูดคิดก็ไม่รู้ว่าขณะนั้นเรากาลังทำอะไรนะหรือนะเราคิดไปแล้วก็ไม่รู้อันนี้เป็นภาวะทางใจนะเรามียรมต่างๆความโลบความโกรธความหลงในใจความหงุดหงิดความขัดเครืองต่างเกิดขึ้นในใจเราเราก็ไม่รู้ทันไม่รู้ในขณะนั้นเราเกิดอะไรขึ้นในกายหรือในใจนะอันนี้ก็คือ ความหลงทั้งนั้นเลยนะเมื่อเราหลงไปแล้วเนี่ยจริงๆแล้วความหลงนี่มันเป็นหัวหน้าของความโลภและความโกรธซะอีกนะเพราะว่าเมื่อเราหลงไปเราจรึงไม่รู้เท่าทันอารมณ์นะแต่ถ้าเรารู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแนะสดงว่าเราไม่หลงแล้วนะเพราะฉนั้นเมื่อไม่หลงเนี่ยมันจึงไม่ไหลเข้าไปในรมต่างๆ สิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่เร า, าสามารถที่จะพิสูจน์ได้โดยตัวเราเองนะว่าเรามีความโลภความโกรธความหลงไหมนะะอารมณ์เราเนี่ยทเรามีความทุกข์ไหมนะเป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้อยู่แล้วนะในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเช่นเราโกรธใครนะบางทีคนที่เราโกรธเนี่ยเขาไม่ทุกข์หรอกแต่ตัวเราเองนะั่นแหละทุกข์ เพราะฉนั้นในใจเราก็จะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ก็คือความโลภความโกรธความหลงนะตราบใดที่ยังอยู่ในใจเราก็เรียกว่าเป็นกิเลสใ น, ในใจเรานะเมื่อยังไม่หมดเชื้อกิเลสนะเราตายไปก็ต้องมาเกิดใหม่นะเหมือนกับต้นไมใ้ใหญ่ๆนั่นแหละโตขนาดไหนๆก็แล้วแต่นะก็มาจากมาเมล็ดพันธุ์เล็กนิดเดียวเมื่อมีเชื้ออยู่ตกมาในพื้นดินอดุดมสมบูรณ์นะ ด้วยเชื้อที่ยังเหลือนั้นก็จะทำให้เติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ชันใดจิตของเราที่มีกิเลสอยู่เพียงเล็กน้อยนะเมื่อเราตายไปแล้วเนี่ยก็ยังไม่หมดเชื้อก็ยังไปเวียนว่ายตายเกิดในภพชาติต่างๆ อ, อันมีอ่าเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เลเชานะเป็นเปรตสุรกายสัตว์นรกนะถึงสาสเภูมิที่เราจะต้องไป อ่าสเสวยในพวภูมิเหล่านั้นนะมันก็ไม่พ้นจากความทุกข์สุกทีแม้แต่เป็นเทวดาเป็นพรหมก็ไม่พน้นนะเพราะว่าเขาก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเมื่อหมดหมดบุญบา ร, รมีแล้วก็ต้องกลับม า, าสู่สารเดชภูมิเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นอันนั้นก็ไม่ใช่หนทางแห่งความพ้นทุกข์ที่แท้จริงนะหนทางแห่งความพ้นทุกข์ที่แท้จริงคืออะไรก็คือความที่เราไม่ต้องเกิดนั่นเองนะ เมื่อไม่เกิดก็ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายหรือความทุกข์ต่างๆตามมาอันที่เรียกว่าพันิพานหรือนิโรธคือความพ้นทุกข์ครา้ น, นเราจะเดินได้อย่างไรก็ต้องเดินตามมรรคมองแปดนะมรรคมองแปดจริงๆแล้วก็มีอยู่หลายข้อมากนะอันได้แก่สัมมาทิฏฐินะก็คือให้มีความตัมลิให้มีความเห็นชอบนะนะ สัมมาสังกัปโปนะก็ให้มีดําริชอบก็คือให้มีความคิดที่ถูกต้องนะสัมมาวาจาให้มีการพูดที่ชอบนะสัมมากรรมโตนะให้ประกอบอการงานที่ชอบนะสัมมาอาชีวโวให้มีอาชีพชอบอัน3ามข้อนี้ก็เรียกว่าเป็นศีลนะ สัมมาวายาโมนะก็ให้มีความเพียรชอบนะสัมมาสติก็ให้มีความระลึกชอบสัมมาสมาธนะิก็ให้มีจิตตั้งมั่นที่ชอบนะอันนี้ก็เป็นสมาธิแล้วก็มีปัญญาประกอบอยู่ด้วยนะตั้งแต่ข้อแรกแล้วก็คื อ, อความเห็นชอบนั่นเองนะโดยสรุปก็คือให้มีศีลสติสมาธิปัญญา ให้ถูกต้องมีคำว่าชอบก็คือถูกต้องถ้ามีไม่ชอบก็เรียกว่าเป็นมิจฉาเช่นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิมิจฉาปัญญาอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเพราะนั้นก็ต้องมีสัมมาก็คือให้ถูกต้องด้วยครา้นี้มันจะถูกต้องได้อย่างไรถูกต้องได้อย่างไรก็คือเริ่มจากศีลก่อนเราก็ต้องมีศีลที่ถูกต้องถ้ามีศีลไม่ถูกต้องเขาก็เรียกว่าศีลหล พทะปลรามาศนะคือการไปยึดถือในสิ่งที่ผิดผิดนะยึดสิ่งที่ไม่ใช่คนทางแห่งความพ้นทุกนะมาเป็นสาระนอกเหนือจากพระตะนาฏยันะ น, นี้ก็ไม่ถูกต้องอสติสมาธิเราก็ต้องทำให้ถูกต้องนะสติเราก็ต้องเข้าใจตามความเป็นจริงว่าสติคืออะไรนะสติก็คือความระลึกได้ ระลึกได้อะไรระลึกได้ไปในรมต่างๆหรือระลึกได้ว่าขณะนี้กําลังทำอะไรอยูนะ่ขณะนี้นั่งอยู่ก็รู้ว่านั่งนะขณะนี้เดินยืนนอนรับประทานอาหารดื่มกินพูดคิดก็คืออิริบทใหญ่อิริบฏย่อยนะต่างๆเราก็ระลึกได้ว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่นะส่วนอารมณ์ต่างๆนะเราก็ระลึกได้ในลมเช่นมีความคิดไป ก็รู้เท่าทันในความคิดเหล่านั้นแล้วก็ไม่ไหลไปในความคิดเหล่านั้นความคิดก็ต้องเข้าใจว่ามี2อย่างก็คือความที่เราตั้งใจคิดก็ไม่เป็นไหลนะก็คิดให้จบจบไปเช่นเรามีกิจการงานก็ตั้งใจคิดได้อันนี้ก็ชื่อว่าไม่หลงแต่ถ้าเราไม่ตั้งใจคิดแล้วเขาคิดไปเองนะคิดทั้งวันคิดเรื่องโน้เรื่องนี้คิดเรื่องนี้เสร็จไปคิดเรื่องนั้นต่อ อันนี้ก็ชื่อว่าเราหลงไปแล้วนะหลงไปในความคิดอันนี้ก็เป็นอันตรายนะเพราะการที่เราหลงไปนั่นแหละในความคิดมันก็จะนาความปรุงแต่งต่างๆมาให้เรามากมายนะอยู่ดีๆก็คิดไปเอออยากจะไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี้นะแล้วก็ไหลไปเที่ยวแล้วสนุกจังนะซื้อของไหลไปในความคิดทั้งนั้นเลยปรุงแต่งนะ ไหลไปในความอยากจะรับประทานอาหารคิดไปต่างๆก็เป็นความปรุงแต่งปรุงแต่งมากๆจิตใจก็พาให้เราอยู่วัดไม่ได้นะก็ไหลไปตามความปรุงแต่งตามที่จิตมันต้องการเขาเรียกว่าไหลไปตามตัณหาอยากจะไปหาอะไรที่มันกระทบรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสให้เกิดความสุขความสุขทางกายความสุขทางใจก็ไหลไปตามกิเลสตัณหาเหล่านั้นโดยไม่รู้ตัวก็เกิดจากความคิดปรุงแต่งตรงนี้แหละ เป็นความคิดที่มันไหลไปในลมต่างๆรู้ไม่ทันก็ปล่อยไปคิดไปเรื่อยๆไม่กลับมาที่ตัวเองนะอันนี้ก็เรียกว่าหลงทางนั้นนะหลงไปในความโลภความโกรธความหลงอยากจะได้ก็ไม่รู้ในอารมณ์เหล่านั้นนะมีความไม่พอใจมีความโกรธคนเข้ามาตำหนิเรามาว่าเรานะมันก็คิดไม่หยุดไม่หย่อนนะเวียนคิดอยู่นั่นนะ ย้ำคิดอยู่นั่นก็เอาใจาความโกรธไม่ได้นะอันนี้เขาเรียกว่าเรารู้ไม่ทันอารมณ์ต่างๆนะเพราะนั้นสตนะิก็คือความระลึกได้ว่าเราขณะนีนะ้กำลังคิดเมื่อรู้แล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่กับกายกับใจในขณะนั้นนะความคิดก็ดับไปนะหรือรู้ว่าขณะนี้กำลังโกรธนะรู้ว่าขณะนี้กาลังโกรธน่แหละถ้าเรารู้เฉย รู้ด้วยความเป็นกลางรู้ด้วยจิตตั้งมั่นอารมณ์ความโกรธก็จะดับไปได้เองนะเพราะจิตคนเราเนี่ยทำงานได้แต่ละขณะขณะนี้มีความโกรธก็เรียกว่าเป็นอากุศลจิตแต่เมื่อเรารู้รู้แล้วว่าขณะที่เราโกรธรู้ด้วยความเป็นกลางความเฉยเฉยรู้เฉยเฉไม่ต้องอยากให้เขาดับไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกุศลจิตนะเมื่อกุศลจิตเกิดขึ้นแล้วเนี่ยกุศลจิตคือความโกรธก็จะดับไปเพราะจิตทํางานได้แต่ละขณะเท่านั้น นะแต่ถ้าเร า, เ อ, าอยากจะให้ความโกรธ ด, ดับไปอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นอกุศลเหมือนกันเพราะเป็นความโลบเจเปนอยู่เพราะฉะนั้นความโกรธจึงไม่ดับไปก็ให้เราแค่รู้เฉยเยก็พอแล้วนะเพราะฉะนั้นอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น อ, อารมณ์อะไรก็แล้วแต่ให้เรารู้เฉยเฉยก็พอแล้วมันก็จะดับไปนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสัมมาสติคื อ, อ ความระลึกชอบนะเราก็ระลึกบ่อยๆนะโดยเฉพาะวิธีการโลมเทียนก็คือให้มาฝึกสติในตรงนี้นะบ่อยๆสามารถที่จะระลึกได้บ่อยๆถ้าระลึกไม่ได้หรือว่าไม่ทันก็กลับมาทำความรู้สึกตัวทำความรู้สึกตัวอย่างไรนะวิธีโลมเทียนก็ให้ขึ้นไหวสึบษี่จังหวะให้รู้เป็นขณะขณะไปนะ ยกมือก็รู้หยุดก็รู้เคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้นะรู้เท่าทานอาการของความเคลื่อนและความหยุดแต่การรู้นี่ก็รู้เป็นขณะขณะนะเขาเรียกว่ารู้ตอนเนิบลุกโซ่รู้แล้วก็หลงได้ไม่ใช่ว่าหลงไม่ได้นะไม่ต้องรู้ยาวเป็นเหล็กเส้นนะรู้ยาวเกินไปก็กลายเป็นสมถะก็คือความตั้งใจมากเกินไปจิตก็จะรู้ยาวๆนะอันนั้นอาจจะกลายเป็นสมถะไปก็ได้นะ อาจจะไม่ตรงตามประเด็นทีเดียวถ้าเรารู้ยาวๆจิตก็จะสงบนะสงบแล้วเกิดปิติเกิดความสุขนะหรือไม่ก็เกิดความง่วงเหงาเหานอนไปเพราะจิตมันสงบแล้วนะหลวง ม, ม่อเทียนบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะคำว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้อันนี้เป็นเสียงหลวงมนะ่อเทียนนะอ่ก็หมายความว่าความคิดนั้นหลักก็คือความหลงเพราะอาจะกล่าวได้อย่างนึงว่ายิ่งหลงก็ยิ่งรู้นะ ยิ่งหลงก็ยิ่งรู้ก็คือเมื่อเราหลงไปแล้วเนี่ยเรากลับมารู้ใหม่เนี่ยจิตมันก็จะตื่นขึ้นมาขณะหนึ่งนะในความรู้เหล่านั้นนะยิ่งรู้บ่อยๆหลงบ่อยรู้บ่อยนะจิตมันก็จะยิ่งตื่นยิ่งมีกําลังมากขึ้นนะกำลังมากขึ้นของจิตนี่แหละทาให้จิตเนี่ยสามารถที่จะกลายเป็นผู้รู้เป็นผู้ดูได้นะเหมือนที่หลวงพ่อคำเขียนมาว่าให้เป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นก็คือจิตเนี่ย จะตื่นบ่อยๆนะจะกลับมาเป็นผู้ดูบ่อยๆนั่นเองนะเพราะฉะนั้นในสมัยลมงพ่อเทีย น, นก็จะบอกว่ายิ่งคิดก็ยิ่งรู้นะแต่ในรุ่นหลังคนก็ปฏิบัติแล้วก็กลายเป็นว่าปฏิบัติเพื่อที่จะไม่ต้องคิดนะให้จิตนะไม่คิดมากนะอาจจะตรงกันข้ามไปก็ได้นะคนก็เลยอาจจะปฏิบัติด้วยการที่รู้ยาวๆไปนะซึ่งอาจจะไม่ตรงประเด็นที่ลวงพเทียนต้องการทีเดียวนะ หลวงพเทียนก็บอกว่าให้รู้เฉยๆหรือรู้ซื่อๆเป็นภาษาอีสานนะรู้ซื่อๆก็คือรู้เฉยๆนั่นเองนะการรู้นั้นเราไม่ต้องไปค้นหาอะไรมากมายแค่รู้เป็นขณะขณะนะรู้การเคลื่อนการหยุดนะต่างๆรู้เบาๆรู้สบายๆก็พอแล้วไม่ต้องไปหารายละเอียดอะไรมากมายเพราะการตั้งใจที่จะหารายละเอียดนั้นอาจจะกลายเป็นสมถะไปได้นะเช่นการรู้ ถึงเย็นร้อนอ่อนแข็งในขณะกระทบต่างๆนะความตั้งใจมากเกินไปนะอาจจะทำให้จิตสงบกายเป็นสมถะได้นะแต่การปฏิบัติวิธีหลงวงพ่อเทียงก็คือให้จิตเราตื่นอยู่ในแต่ละขณะแต่ละขณะเมื่อรู้แล้วก็ทิ้งไปนะมันจิตจได้ตื่นเป็นขณะขณะไปนะรู้แล้วก็ลงได้นะอันนี้ก็เรียกว่าเราปฏิบัติให้มีความระลึกไดนะ้ไปในกายและในใจ อะไรเกิดขึ้น resigned, เราก็รู้ในขณะนั้นไม่ต้องไปตั้งใจรู้ที่กายหรือรู้ที่ใจถ้าเราอยู่ในชีวนะ well ิตประจำวันนะเพราะความตั้งใจที่จะรู้ที่กายอย่างเดียวหรือรู้ที่ใจอย่างเดียวมันก็จะกลายเป็นสมถะไปเพราะเราต้องไปคอยเพ่งคอยจ้องในอารมณ์เหล่านั้นหรือในกายเหล่านั้นแต่การรู้จริงๆก็คืออะไรเกิดขึ้นในขณะนั้นทางกายก็ได้หรือทางใจก็ได้ก็รู้ไปในขณะนั้นเท่านั้นเอง แต่ถ้าเรามีการเคลื่อนไหวในรูปแบบแล้วเราก็รู้กลายเป็นหลักของเราการรู้กลายเป็นหลักนั้นก็เรียกว่าอยู่ในปัจจุบันธรรมอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องไปหาปัจจุบันที่ไหนอีกนะเมื่อกายเคลื่อนไหวไปอยู่กับปัจจุบันธรรมความคิดที่เกิดขึ้นก็จะไหลเข้าไปในอดีตหรืออนาคตเท่านั้นเราก็จะรู้เท่าทันความคิดเหล่านั้นแต่ไม่ต้องไปให้ค่ากับความคิดเหล่านั้นเพียงเรารู้แล้วก็ทิ้งไปไม่ต้องไปให้ค่ากับเขา กลับมารู้สึกตัวที่กายใหม่ความคิดเหล่านั้นก็จะดับไปนะอันเนี้ยมันก็จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องและก็ง่ายขึ้นนะการที่เราไปเพ่งไปจ้องนั่นแหละมันเป็นความไม่เที่ยงของการปฏิบัติแล้วเราก็จะมีความทุกข์ในอารมณ์เหล่านั้นอีกเพรา ะ, ะนั้นหลวงเทียนก็เลยบอกว่าอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยา่างมีเพราะความอยากนั่นคือความโลภนะเมื่อความโลภเกิดขึ้นเราได้ผลเราก็ดีใจ แต่พอไม่ได้ผลมันก็ไม่พอใจเพราะเรามีความอยากแต่เมื่อได้แล้วมันก็แสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นอีกก็คือเมื่อวานนี้ปฏิบัติ ด, ดีวันนี้ปฏิบัติไม่ดีจริงๆแล้วเขาแสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นอยู่แล้วนะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจแล้วก็คิดว่าเออมันเสื่อมแล้วนะจิตตกแล้วเนี่ยเราก็มีความมีความทุกข์ที่ว่าเมื่อวานเราดีวันนี้เราไม่ดีนะความทุกข์เหล่านั้นนะ มันเป็นความที่เราไม่ฉลาดในกระบวนการของสภาวธรรมที่แสดงความไม่เที่ยงให้เราเห็นแต่ถ้าหลวอหลวเทียนบอกว่าอยา่าอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยา่างมีก็คือเราปฏิบัติไม่ต้องไปหวังอะไรเราทําไปเรื่อยๆเท่านั้นเองนะทำเล่นๆเท่านั้นเองแต่ก็ทำไปเรื่อยๆทําเล่นๆแต่ทําให้ต่อเนื่องนั่นเองไม่ต้องไปหวังที่จะได้อะไรเพราะการหวังนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะหวังได้เลยในการปฏิบัติธรรม เรามีหน้าที่เพียงแค่รู้แล้วก็วางไปแล้วก็ทิ้งไปส่วนการที่จะได้ผลหรือไม่ได้ผลไม่ใช่หน้าที่ของเราเรามีหน้าที่เพียงแค่ทําเท่านั้นเองนะถ้าเราวางใจให้ถูกต้องเช่นนี้เราก็ไม่ทุกข์ไม่มีความทุกข์ในการปฏิบัติธรรมแต่อย่างใดมันจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่หน้าที่ของเราเรามีหน้าที่แค่ทําเท่านั้นเองนะส่วนการให้ผลไม่ใช่หน้าที่ของเรา เหมือนกับเราปลูกต้นไม้นี่แหละเราไม่ต้องไปหวังว่าเออปลูกแล้วนะต้องได้มเมล็ดได้ผลได้ดอกเร็วๆยิ่งเราหวังได้ผลได้ดอกเร็วๆเราก็ยิ่งมีความทุกข์หน้าทิ่งเราก็มีแต่เพียงรดน้ำพรวนดินไปเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นการกระทำใดๆอย่าไปหวังผลสิ่งตอบแทนทุกๆอย่างการหวังผลตอบแทนในทุกๆอย่างในการกระทาก็คือความโลภนั่นเองและมันจะนาความทุกข์มาให้เรา แต่ถ้าเราทำด้วยจิตใจที่สบายด้วยความว่างเปล่าไม่หวังผลอะไรนั่นแหละคือสิ่งตอบแทนที่จะตามมาในภายหลังที่จะนำให้เราถึงซึ่งความพ้นทุกได้นะเพราะฉะนั้ น, นโดยมักมีอง8 ก, ก็คือศีลสติสมาธิปัญญาเหล่านี้แหละก็เป็นหนทางแห่งความพ้นทุก ถ้าเราปฏิบัติได้ถูกต้องเขาเรียกว่าเป็นสัมมานะก็คือสัมมาสติสัมมาสมาธิซึ่งเมื่อเป็นสัมมาแล้วเนี่ยจิตจะต้องเข้าสู่ความพ้นทุกอย่างแน่นอนนะเพราะว่าพระอรหันต์ก็มาจากบุตรชนธรรมดาเท่านั้นเองนะแต่ท่านก็ปฏิบัติ ด, ด้วยความถูกต้องด้วยความเพียรด้วยความเป็นสัมมาเพราะนั้นพวกเราก็แล้วแต่นะทุกๆคนถ้าเราปฏิบัติ ด, ด้วยความถูกต้องด้วยความเพียร ได้ความมีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็พ้นทุกได้เช่นเดียวกันนะสุดท้านนี้ก็ขอทุกท่านถึงซึ่งความพ้นทุกได้ในชาตินี้ทุกท่านเทิด